เราเกิดในแดนพุทธศาสนาเคยไม่ได้อยู่ในแดนพุทธศาสนาสวามเหมือนอย่ที่โบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวกเหมือนกับหยักแผ่นดินผิดมันผิดทุกคนเกิดมาในวงศาสน า, ต า, นตสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับธาตุภูมิของตน เขเหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมเราเกิดมาเรืนองมาแห่งศีลธรรมแล้วเมื่าปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานนั้นผุกน่ะอยู่ที่ตรงนั้นท่านสอนให้สั่งสมเป็นนามความดีไว้เพื่อ เป็นปณิสัยปัจจัยเป็นลําดับๆไปหรือว่าปณิสัยก็คือจริยธารที่เราเคยบําเพ็ญมาหรือเรียกว่าบุญ ง, งามความดีจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานก็ตามเกิดขึ้นโดยการรักษาศีลก็ตามจากการเจริญเมตตาภานาหรือการสงเคราะห์สงหาด้วยร่วมโลกกันไม่ว่าจาะเป็บุคคลก็ตาม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 เข้าสู่ภายใน จ, ใจิตใจนั่นท่านเรียกว่ามูลนิธินิธิก็แปลว่าขุมทรัพย์มูลก็แปลว่ารากฐานคือรากฐานหนึ่งที่เป็นที่สถิตแห่งขุมทรัพย์นั่นก็ได้แต่ใจนั่นคือว่ามูลนิธิมูลนิธิก็คือรากฐานเป็นที่ฝังทรัพย์ลง จิตใจของเราเป็นรากฐานสาคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงสู่ที่หนันเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วไปไหนก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไปว่าจะไปแห่งผลตาบลใดต้องการอะไรก็ตําบลนั้นจับจ่ายใช้สอยดูวยแลเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการมันมาบำบัดรักษาหรือบํารุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความสะดวกไปด้วยทรัพย์สมบัตินั้นทั้งนั้นคนมีทรัพย์ภายในเขาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัตสงสารเขาเช่นเดียวกับเราไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เก่านี้เองไปบ้านนอกบ้านนาลินเมืองนอกเมืองไหนก็นแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงินหรือสมบัติ ถ้ามีแก้วสารพัดนุกแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากน่ารท่องเที่ยวนวัตะสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สร้างสมมาตในจิตใจติดแนบ ก, กับตนไปในภพนั้นนั้นนเกิดเราก็ บ, บังคับยึดต้องการ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 จ้ไม่มีผู้ใดได้รับความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจจะมีแต่ความสุขความสบายด้วยการทั้งนั้นเพราะการลบล้างได้นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ก็ว่าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว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 ปรากฏในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถานะลบล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมฆะไปทำไมที่สอนที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมาไว้สอนโลกว่าเผื่อชะล่างมนทินคือบาป ก, กรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในสันดานของสัตว์ด้วยการทำดีให้สายสะอาดแต่โดยลำดับลาดับความประพฤติ ท, ที่เคยไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทาดีพูดดีคิดดีไปหมด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 เวลาเรามีการท่องเที่ยวอยู่ในวัดป่าสงสารแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดสราดาจากมนตินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าลบล้างนิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในใจิตใจได้โดยชื่นเชิงเช่นเดียวกันหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าเป็นิบากคือการให้ผลของกรรมก่อนซึ่งเคยทำมาตั้งแต่ก่อน ก็ได้รับแค่เรื่องฐานลงขันยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะาปรินิพานพระเดชจุลกุศินาลายจะสวยน้ำรับสั่งให้พระอนุนไปตักน้ำที่ไหนก็กลุ่มเป็นตรมเป็นโคนเป็นหมดมีพระองค์ก็ปรกาศกับพระอนุนว่านี่เป็นพ่อ ร, รมเก่าของเรา ซึ่งแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าโคต่างไล่โคไปจำนวนห้าร้อยตัวยงไปน้าหน้องใดดุงใดก็ขุนเป็นตมเป็นโคนไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ลืมตั้งแต่น้าที่สกครกด้วยพี่ขุนเป็นตมเป็นโคนไปผนนั้นจึงสะท้อนกลับมาถึงเหล่านี่ก็มีเพียงท่ากายเท่านั้นนั่นจะให้มีความกระทบกระเทือนถึงท่าไทยของพระองค์ที่บริสุทธิ์นั่นเลย ส่วนความดีก็มีสนองมาโดยลำดับเช่นอย่างไปสถานที่ใดพอมีคนเคารพเ ท, เทวดาอินทรธมอะทั้งมีความเคารพ น, นอบน้อมพระองค์ตลอดถึงเครื่องสักการะบูชามาจากที่ต่ตางๆเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นการเสวยในทางพระกายเช่นเดียวกันส่วนที่เจ้าพระองค์มีความยินดียินร้ายในทไายนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะไปถึงได้ นี่เราการที่เราทําความดีทั้งหลายนี้ก็เหมือนกับเราเอาน้ําที่สะอาดชนะสิ่งที่ตกปกโสโครภาณในจิตใจของเราให้ไั้หมดไปโดยลำหนักําหนักการยิงสอนให้สร้างความดีคนที่มีคุณงามความดีแล้วย่อมเป็นที่อบอุ่นภายน จ, จิตใจทั้งปัจจุบันคือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหนักเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภาณ จ, จิตใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบุ่ญยิ่งไปกว่ากว่าคุณงามความดีทั้งหลายมี่ท่านบอช้าย า, าเอวเปรียบเหมือนกับเงาเทียนตูแต่เงานนั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับคุณงามความดีนี้เราจะจะเกิดเราจะฐานที่ใดๆย่อมติดแน่กับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจ ท่านก็สอนให้พยายามอบรมจิตใจความยากความลําบากอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคจนเกินเหตุเกินผลจนเสียเวลาเวลาและไม่ได้กระทําความดีเพราะความลําบากนั่นเป็นอุปสรรคเลยเหน่องความลําบากเพราะหน้าที่การงานมันมีด้วยกันเราอย่าถือว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่การงานล้นมื อ, อบางคนเหือบาด ก, กว่าแรางก็มีแล้วสัตว์ห่ะ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 กินผลไม้ก็ถูกเขาหนักไปหากินยากินอะไรอะไรก็ถูกแต่มนุษย์น่ะสําคัญที่คอยทาลายสัตว์ในเสี่ยงทุกด้านในเหมือนมนุษย์เราแล้วก็คืองานของเขางานนั้นเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานมนุษย์เรางานมนุษย์เราไี่มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือ น, นสัตว์ทั่วไปเป็นงานที่ทําด้วยความอิจฉาอิสระการประกอบหน้าที่การงานที่ชอบทํา เราทําได้ด้วยกันทั้งโลกทั้งสมมีใครว่าใครไม่มีใครเดือดเบียนใครหากจะมีบ้างก่อนนั่นก็เป็นธรรมดาของคนมีเกลเอแต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนอย่างเพราะทาลายสัตว์ดังนั้นมันไม่มีมันจะยากลาําบากเราก็ถือว่าเป็นงานจาเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนใน่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็ต้องพึ่งผ้าหม่ม เวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ำเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องพึ่งทั้งนั้นร่างกายของเรามันดูรังทังตนเองไม่ได้มันต้องอาศัยความพึ่งพิงอุณหภูมิอยู่ตลอดม า, านี้ทางด้านจิตใจจะไปอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อไม่มีคุณงามความดีเป็นที่เกาะที่อาศัยก็ต้องว้าเววุ่นวายขุมม่นโม่ร้อนอสอนให้ บําเพ็ญความดีเพื่อเป็นประโยชน์แต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาอายุนามไม่สำคัญจิตใจเนี่ยมันคึกขนองได้โดยการทั้งนั้นนะ่ะความฟุ้งเฟอ้อเหว่หัความคิดวุ่นวายเนี่ยคิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ พวนตัวเองได้ตลอดเวลาหากมันมีการอบรมภาวนาะให้มีความสงบบ้างเลยแล้วจิตจะหาที่หลบที่ซ่อนไถไม่ได้จะมีแต่ควา ม, ม ร, รุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาะจึงเป็นที่พักผ่อนย่อนจิตได้ดีขณะที่เรากําหนดกําหนดพุดโทโธพุโทโธนั้นจิตก็สงบอยู่กับพุโทโธอยู่แล้ว บังคับให้ส่งออกไปภายนอกซึ่งเคยส่งออกไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมาเห็นผลประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ที่มันเที่ยวกว้านมาจะเพราะความคิดทั้งนั้นเท่านั้นใน่อันนี้เราจะระงับดับความคิดทั้งหลายให้ความคิดเหล่านั้นซึ่งเคยรบ ก, กวนนั้นมารบ ก, กวนเราเราจะอาศัยความปรุงเฉพาะคําคบริกรรมพุทโทธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากําหนดพุทโทธเป็นต้นแล้วก็มีความบริกรรมไม่มีความรู้จดจ่ อ, จอ ตั้งหน้าตังตาอยู่กับกรรมวิกรรมของเร า, าจิตใจนี่สายแสบไปสู่อารมณ์ที่เคยขอบควรตนเองจิตก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบารุงรักษาด้วยสติตั้งหน้าตังตาทําอยู่โดยสม่ําเสมอจิตก็มีความสงบลงได้เพรอจิตสงบแล้วเท่านั้นเรื่องความสุขก็มาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขพนาาันใจเพราะมันมีความสงบพอจิตเริ่มสงบ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 มีความร่มเย็นมีความสงบแล้วมันก็นโล่งโถงภายในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้นแต่ก่อนเราไม่คาดว่าเรามีคุณค่าเพียงไงนอกจากเดาไปเฉยว่ามีคุณค่าอย่างนั้นสําคัญตนอย่างนี้โดยหาความจริงไม่ได้แต่พอปรากฏพอจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นภานใจเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจของเราปรากฏเป็นความอดอบ อ, อุ่นเป็นความร่มเย็น เป็นสุกมีที่พึ่ง น, นั่งอยู่ก็อิม่มเออำอทําอะไระอยู่ก็อิ่มเ อ, อิบอยู่ภาณาจัยใครจะว่าอะไรก็ไม่ค่อยโกรธ ง, ง่ายๆไม่ค่อยชุนค่อยเขียวเพราะจิตมีที่พึ่งจิตมีหลักมีเจนไม่บอกแบบคอน แ, นนแวนเะย็นนั่นเพียงเท่านั้นเราก็เห็นผลแล้วผลนี้แหละที่จะย่างเหตุต่ อ, ตอไปให้เพิ่มไปมาณขึ้นหรือสืบต่อกันเป็นลำดับ และให้มีกำลังมากขึ้นเมือ่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเห็นผลคือความสงบพยายามทำอยู่เรื่อยยิ่งเข่าแก่แล้วเท่นนี้ก็ไมศาสตรจะไปหาทำงานอะไระนอกจากงานกิตตภรนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาสัจนพอแล้วเลี้ยงลูกแล้วยังม่แล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยง hn, เหลนเลี้ยงอะไรอะไ ร, ะไรเป็นบ่อยเขาอยู่ตลอดเวลา เลี้ยงตนนั่งตนมันยังไม่เติบโตคือภ า, ายในจิตใจมันเหี่ยวมันแทรกอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุไม่มีเลยอย่างนี้เราจะไม่ร้อนใจจะทำยางไนมันต้องร้อนคนหลับดังนั้นพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบกิตตภพขึ้นตัวขึ้นมาเย็นสบายโล่งนะนี่แหละการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีกิตภพนาเป็นสาคัญ พยายามอบรมรักษาตนนี่คือรักษาใจอะไรๆเราก็เดือผ่านมาแล้วมันโลกหลงทางมานานขนาดนี้แล้วพอจะรู้เรื่องดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านโลกมานานทางตากับพาน้ะท่านตั้งแต่วันโน้นลุยจักยังสาวภาวะตาหูจมูกเลี้ยงการมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลขั้ว ป, ประการใดบ้างเราทราบหมด จากความสัมผัสเหล่านี้เวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็หายไปหมดเอาความคิดความตังกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไม่ได้ <S <S แล้วเรายังจะประมวนกับความคิดความตรุงในสิ่งเหล่า น, นั้นอย่างไรอีกถ้าไม่ใช่ว่าหลงจนเกินตัวเราควรจะลบบวกคูณหารดูตัวของเราด้วยวิธีที่เกี่ยวกับจิงทั้งหลายแล้วประมวล จ, จิตใจปจงมวลความรู้สึก ระมวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตะภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงานความดีแล้วเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เป็นอารมณ์ของใจอันร่มเย็นเป็นสุดด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นอารมณ์สําคัญมากต่อจิตใจทําให้มีความสงบเย็นใจ ทำมาความสงบมีหลายขั้นเบือ้องต้นแหงความสงบ ก, ก็พอเริ่มเริ่ ม, ม, มสงบเข้าไปก็เริ่มเบาภาานใจสมายทําหลายครั้งและหนกสงบแน่วแน่สงบแนบแน่แนละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกอันนั้นมีความสุขมากติดเบืงว่างอะไรพูดไม่ถูก ว่าอยู่ในอากาศก็ไม่เชิงอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้เขารู้ตัวอยู่โดยเฉพาะร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแหละคือความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขจะลืมไม่ได้หากว่าไม่มีความก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นเทนนี่มาได้จนกระทั่งวันตา เพราะเป็นความ ส, สุขที่ประทับใจมากทีเดียวตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏเช่นนี้และเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์นี่แหละเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความอุตสาหพยายามต่อสู้กับความมุ่นวายทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี่เข้ามาเป็นสมบัติของใจที่กาวนี้เรียกว่าใจสงบ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 ตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ไปสาคัญมันหมายกับสิ่งใดๆแล้วสิ่งนั้นจะมีมากน้อยเหมือนไม่มีทีนี้จิตไม่ปรุงรบกวนตัวเองอีกไม่เกิดความสำคัญนั้นหมายในสิ่งต่างๆภ า, า, า, ายในรอบตัวนี้อีกก็ยิ่งเป็นความสงบแน่ๆไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากโลกนี้เหมือนกับมีแต่ใจใดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลย เพงท่านี้ก็สบายแล้วเห็นหลักเจนอย่างชัดเจนหลักเจนทางในร่างกายคิตจิตใจเรานี้คืออะไรเป็นหลักที่แท้จริงก็คือใจดวงนี้เองนะรู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วทำอย่างไรถึงจะยิ่งกว่านี้คือทําตามธรร ม, า ม, ามนานแม้แต่เราแสวงหาสมบัติได้เท่านี้แล้วมันยังต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วอยากได้เท่านั้น แต่เรื่องการแสดงหาสมบัติภายนอกคือ ท, ทางโลกนี้ไม่มีสิ้นสุขเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากคือแบบโลกโลกธรรมดาธรรมดาแต่นี้เราหาด้วยด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเศษมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่อิ่มพอเมื่อจิตก้าวข้าปลายก้าวข้าปลจิตก็มีความขยืดขึ้นไปเรื่อยเรื่อย ความสุขแค่นี้ต้องการฉะนั้นตามความจริงเข้าไปอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าอ่านแต่ต้องคิดลงไปเช่นอย่างท่านพิจารณาถึงธาตุลงขันซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดไม่ทราบว่าธาตุขันนี้คืออะไรคําว่าร่างกายก็ว่าเขาว่าเราก็ว่าในส่วนร่างกา ย, ยทั้งหมดเรายะไม่ได้แยกแยกตามความจริงของมันว่ามันมีอะไรบ้างที่รวมกันอยู่นี้ แยกเข้าไปแยกเข้าไปดูต uh, ั้งแต่ผิวเนี่ยเทสาโรมานขาทันตาตะโจดูก็ไปภายในดูเข้าไปดูเข้าไปหาตัวหญิงตัวชายตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราตัวเขาอืตัวอัตภาพร่างกายจริงคืออะไรค้นเข้าไปมิท่านว่าปัญญาหาเข้าไปค้นเข้าไปหาความจริงทีนี้ความจริงที่ปรากฏขึ้นจากการค้นคว้าการพิจารณา้วยปัญญานี้ไม่ใช่เป็นความจริงดังที่เราว่าเป็นสัตวเป็นบุคคลใช่หรือไม่ มันการเป็นความจริงประเภทอันหนึ่งขึ้นมาถ้าว่าทาสก็ศัก์แต่ว่าทายถ้าว่ารูปก็ศัก์แต่ว่ารูปถ้าว่าเวทนาก็ศัก์แต่ว่าเวทนาไปเสียสินี่ความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักษ์ใจเป็นความจริงเช่นนี้และเป็นความจริงที่ที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่อย่างกระทับตัจอะไรก็ศัก์แต่ว่านั้นเท่านั้นไม่ไม่เลยจากนั้นไป กายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสําคัญมั่นหมายมาตั้งแต่ก่อนจึงกลายเป็นความจริงขึ้นมารูปก็เป็นความจริงเพราะจิตจริงเนี่ยเพราะจิตรู้จริงเหตนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งเพราะจิตรู้จริงเนี่ยคำยาตั้งขานวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเพราะจิตเป็นความจริงอยู่เต็มตัวเนียว่าอาการแต่ละอย่างที่ กระเพือบออกมาในทางจิตใจก็ทราบว่าเป็นความกิ่งเจ้าอยัแต่้าหยั ก, ยกไม่หลงไม่ตื่นเงาตัวเองเราอยู่ธรรมดาเรายังรู้ว่านั่นเป็นเงาเรานี่เป็นตัวของเราแต่เงาของจิตนั้นเราไม่ทราบเราถือเป็นเงานั้นเป็นตัวเสียทั้งนั้นจึงต้องวุ่นวาอะไรที่เป็นอาการของจิตแสดงออกเราถือว่าเป็นเราทั้งหมดถือเงาเป็นตน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 ไปฝ่าไปฝื้นความจริงไม่ปินเกลียวกับความจริงต่างอัน ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต่างจริงต่างอันต่างอยู่จิตใจก็ม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่หาเรื่องเกาะคนํา้งเองนี่ท่านจะเรียกว่าอะไรนีมันพอดดองหมดพอดดองหมดมรู้นี่ทันเียกว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตนั้นก็พ้น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 คือไม่อยากรู้อะไรอีกถ้ายิ่งกว่านี้ไม่อยากสุขอะไรถ้ายิ่งกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่นี้เป็นที่พอเหมาะสมแล้วยิ่งกว่านี้ไปไม่เหมาะหนักนี่ท่านเรียกว่ามัชจิ ม, มาในหลักธรรมชาติที่เป็นส่วนผลซึ่งสืบเนื่องมาจากมัจจิ ม, มาคือข้อปฏิบัติดันเนินเข้าไปด้วยมัจจิ ม, มาอันเป็นศูนย์กลางพอเข้าถึงขั้นมัชจิ ม, มาในหลักธรรมชาติอันเป็นส่วนผลแล้วก็เป็นอันว่าพอตัว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 ท่านถึงเมืองพอท่านพอแล้วพอดิบพอดีอยู่ตลอดกาลว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงจิตที่พอตัวแล้วเที่ยงธรรมไม่เอียงกับผิดไปได้ทั้งหมดธรรมชาติที่กล่าวถึงเวลานี้น่จาจะความรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกขั้นมูลฐานจนกระทั่งถึงขั้นไม่สุดพุทธโธ จะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่ผู้รู้ที่ได้ยินอยู่เวลานี้ที่ทราบอยู่เวนี้ฟังอยู่เวนี้ผู้นี้แหละผู้ที่เป็นสาระแก่นสารที่สุดในร่างกายของเราไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้ก็คือผู้นี้แต่เวลานี้ผู้นี้ยังไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ให้เต็มอัดเต็มทำหรือเต็มผุ่มของตัวเองจิ้งจ้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืเกาะสิ่งนี้เกาะสิ่งนี้ พอพยุงตัวบางทีถูกสิ่งทั้งหลายทับตัวเองลงหกล้มก้มกราบลงไปก็มีเยอะเพราะมันาาทาบมันผิดเราต้องพยุงเราด้วยอัตม่ธรรมจงกระทั่งถึงทรงตัวได้และเป็นตัวของตัวดั่งเต็นภูมิคำว่าเป็นตัวของตัวอย่างเป็มภูมินี้เราก็ให้ชื่อมันได้เถิดไม่ใช่เป็น ตวงตัวด้วยความสั้งขัญแต่เป็นธรรมชาติแท้เราก็ให้ชื่อไปอย่างนั้นเพราะโลกมีสมมูิก็ต้องให้ชื่อว่าแต่ตามสมมูิเช่นอย่างให้ชื่อว่านิพพานอย่างมันาท่านพูดถึงนิพพานแล้วท่านไม่ได้สงสัยให้ชื่อให้นามท่านก็ไม่มีปัญหาแต่โลกมีสมมูิก็ต้องให้ให้ชื่อสมมูิเช่นอย่างเราติดป้ายไว้ที่หน้าวัดว่าวัดตาบรรดาห์เพราะว่าคนที่เขายังไม่เคยรู้ว่าตาบรรดา ได้อ่านได้ทราบอ้อนี่คือวัดต่บาบรตาัสสำหรับถ้าเนนหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจเราจะต้องไปอ่านใต้วตัดป่าบรรทัดเพราะรู้อยู่แล้วน่ะพ้ทีิรูุนิพพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน<อ>ระยานี้แหละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับบาเพ็ญตนเอง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 คิดดูดาวบททั้งสองในเวลาท่านตัดจะรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจนารณาด้วยญาณทราบของดาบททั้งสองงั้นสิ้นไปเช้าเมาือวานนี่โอ้นาเสยานานท่านก็เลยหยุดสนพระไทยที่จะไปตั้งสอนเพราะสุกยิสัยแล้วทาวารศาสนาเพื่อสอนคนตายจริงแล้วเออเหมาะสมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี้เราส่งกุตราสีเดียวให้ถึงนี้ทานเลยว่าันเ แต่นี้ไม่ตายแสด็จปัญหาเบญจบาปีทั้งห้าพูดอยู่ในนิสัยที่จะได้จะถึงทำทั้งหลายและพอแสดงดเวเมทพิเุเวนต์บาุเจเรนเชียริยิตาบานั้นเนบญจบาปีทั้งหลายก็บันลุทำอออุทานขึ้นมามีพักคนอัญญามีพระคนอัญญาปัญญ า, าเป็นต้นยังจุกิตสมุไรธรรมังสัปปัญตังนิโรธธรรมังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระญาปัญญ า, า, าได้รู้ ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นของตายตัวมีความเกิดและความดับไปเป็นของตายตัวคือคู่กันอะนี้แยกกันไม่ออกมีจิตยังถึงความจริงแต่นั่งแสดงอนัตตารคณะสูตรเป็นลำดับท่ไปอนัตตาระคณะสูตรท่านแสดงว่าอะไรบ้างรูปังอนิจังเวทนานิจจะชัญ้นญใหญจารังคารายจาวิ ญ, ญาณางิจังรูปังอนัตตาเนี่ย ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในตรายรักนี้ทั้งหมดรวมลงไปรวมลงไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนี่ยอ น, ตานาัตตลักษณ์นัสสุอนัตตาแสดงว่าความว่าไม่ใช่ตนมันเองแสดงนี้ล้างจิตใให้สะอาดหมดจดได้บรรลุธรรมถึงห้าทั้งห้าองค์นั้นเลยนะมีท่านสอนคนเป็นทำไมเาปสอนคนต่าง มีเราอยู่ในวิสัยเวลานี้เราไม่ใช่คนตายเป็นผู้เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วกับธรรมและการปฏิบัติธรรมหาตายแล้วก็สุดวิสัยเวลานี้ยังไม่สุดวิสัยให้พย า, ายามทํา้งแต่บัดนี้ช่วยตัวเอ ง, งแต่บัดนี้เราจะไม่เสียท่ยาเสียทีเรานี้เป็นผู้ที่จะเสียท่าได้ท่าแล้วแต่เราจะพิกแพลงไปทางไหนทางไหนเพื่อตัวของเราความฉลาดอยู่กับเราความโง่อยู่กับเรา เราต้องพิจารหาความตลาดธรรมะเป็นทางสอนวิชาออกมาจากความตลาดไม่ได้สอนคนโง่จึงรีดเล่นคนขวายด้วยความเสียตาดให้คนเสียในเวลาอันควรนี้จะไม่เสียท่าและทีในภายหลังเราจะมีความสุดกายสบายใจทั้งปัจจุบันแลอนาคตสมบัติอันที่พึงใจจะเป็นของเราด้วยการทําดีเป็นสาเหตุให้ได้สิ่งที่พึงใจึมขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้